เรื่องภิกษุถ่ายอุจจาระหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังถ่ายอุจจาระน้ำอจจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศสรหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พรงตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะทาน้าอจจิให้เคลื่อน